เสื้อผ้าอมฝุ่นอยู่ในตู้ดูกี่ทีก็ไม่นึกอยากหยิบมาใช้ขัดขวางความฉลาดและปัญญาแบบพุทธเมื่อใดหัวไม่ลัน่นรู้สึกติดขัดเหมือนมีอะไรมาขวางเสมอกักขังนวงเหนียวไม่ให้ความคิดพุ่งไปเมื่อนั้นคุณจะรู้สึกฉลาดทางความคิดน้อยลงหรือกระทั่งหัวทึบเหมือนคนโง่ได้ เมือ่อใดใจติดแน่นอยู่กับอารมณ์ก้อนใหญ่ที่เหมือนเกาะกลุมไม่ให้ปลอดโปรงเมื่อ น, นั้นคุณจะรู้สึกฉลาดทางจิตน้อยลงหรือกระทั่งแน่นในอกเหมือนคนใกล้ป่วยได้อารมณ์หวงเกินพิกัดหวงสิ่งที่ไม่น่าหวงหรือกระทั่งหวงแล้วเกิดความเดือดร้อนคือตัวอย่างอุปสรรคทางปัญญาที่พุทธศาสนาชี้ว่า ต้องทำลายให้ได้ก่อนจิตจึงฉลาดพอจะเห็นว่าทำไมควรถือศีลทำไมควรเจริญสตินี่เป็นเหตุผลว่าทำไมการให้ทานคนอื่นในทางพุทธจึงถือเป็นการความฉลาดกับตัวเองตัวอย่างที่เห็นได้ในชีวิตประจาวันก็เช่นเสื้อผ้าอมฝุ่นหลายตัวในตู้แม้ไม่ได้ใส่เลยหลายปีดูกี่ทีก็มีนึกอยากหยิบมาใช้ แต่บางทีคุณก็ห่วงไว้ปล่อยให้เพิ่มความสศกปรกตู้อยู่อย่างนั้นเหตุผลหลักๆก็เช่นมันแพงหรือแม้ไม่แพงก็รู้สึกว่าเป็นทรัพย์มีค่าเคยต้องใช้เงินซื้อหามาถ้าไม่มีข้อเปรียบเทียบคุณจะไม่พบข้อแตกต่างทางใจแต่หากขยันพอจะหอบเสื้อผ้าที่ไม่ใช้ไปบริจาค พบกับความโล่งอกโล่งหัวและโล่งตู้เก็บคุณถึงค่อยได้ข้อเปรียบเทียบขึ้นมาว่าตอนอยู่ในตู้เฉยๆไม่ใช่มันแค่ไม่ได้ประโยชน์กับใครแต่ยังทำใจคุณติดอยู่กับอารมณ์หวงคิดอะไรที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไม่ออกเมื่อบริจาคเสื้อผ้าไปใจคุณอาจฉลาดขึ้นกว่าที่คิดเกิดมุมมองที่ไม่เคยเกิดหรือกระทั่งเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิด อาทิเช่นของแพงบางทีไม่ใช่ของมีค่าตราบเท่าที่วางอยู่ในที่ที่ไม่มีใครได้ใช้สิ่งของยิ่งมากยิ่งแน่นพื้นที่ยิ่งเลือกอยากทุกครั้งที่ต้องเลือกใจคุณจะเต็มไปด้วยความรกและสิ่งรกใจนั้นยิ่งมากขึ้นเท่าไรยิ่งฟงุ้งซ่านยิ่งบทบังสติปัญญาขึ้นเท่านั้นการเหลือไวแต่สิ่งที่จุดประกายความสุขให้คุณได้จริง เป็นตัวเลือกจำนวนน้อยที่ไม่โรคใจช่วยให้ชีวิตของคุณมีน้ำหนักเบาลงหูตาเห็นอะไรง่ายขึ้นถนัดชัดขึ้นพบว่าตัวเองแวดล้อมด้วยสิ่งที่เป็นสุขมากขึ้นสามารถต่อยอดเป็นความฉลาดเลือกคิดได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้คิดเช่นจะหวงอารมณ์โกรธแค้นไว้ทำไมในเมื่อรังแต่จะบดขยี้ให้ใจเสียหายเปล่าเป็นทุกข์ไ ป, ปเปล่าๆฉะนั้น ไม่ต้องหวงความโกรธก็ได้บริจาคความโกรธให้กับความว่างในอากาศก็ได้ยิ่งฉลาดสารวจยิ่งฉลาดจำแนกว่าตัวเองมีอะไรน่าแจกน่าให้คนอื่นไปใช้อารมณ์ของกูและกูมีจะยิ่งน้อยลงขัดขวางความฉลาดและปัญญาแบบพุดน้อยลงวันตายจะเห็นเลยว่า จิตใสใจเบาสว่างโรง่โรงโล่งเป็นสมบัติที่ดีที่สุดในชีวิตได้อย่างไร